ยีบเกรู้ว่าจิตคิดเป็นวิปัสนาแต่รู้เรื่องราวที่คิดอย่างมากเป็นสมถะวงเล็บเปิดสิบหกพฤศจิกายน25งพ้ารสิบเ้าในวงเล็บสองวงเล็บปิดอย่างเราดูจิต ด, ดูใจของเราหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่ารู้ทันความคิดคิดเรื่องอะไรรู้หมดเลยนี่ทําวิปัสนาแล้วไม่ใช่วิปัสนานะถ้ายังรู้เรื่องที่คิดอยู่เรียกว่ารู้บัญญัติ แต่ถ้ารู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนารู้ทันจิตว่าจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตคิดเป็นวิปัสสนานะแต่รู้เรื่องราวที่คิดอย่างมากเป็นสมถะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลย